สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่18บแปข้อเถึงสินะครับสุภาษิตบทที่18บข้อเถึงข้อ14โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุคคลที่หย่อนยานในการงานก็เป็นพี่น้องกับคนเจ้าทําลายพระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบทําวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยซับสริงคารของเศรษฐีเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาและเป็นเมืองกําแพงสูงตามความคิดเห็นของเขาใจของคนก็จองหองก่อนการถูกทําลายแต่ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยินก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา จิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บปวยได้แต่จิตใจที่ชอกช้ำใครจะทนได้เล่าพิรังค้าโพธนะของพระเจ้าในชาวันนี้นั้นมีทั้งหมด9 11 1 1 1บ1ิบเข้อด้วยกันครับแต่ได้แบ่งออกมาเป็นตอนตอนที่เกี่ยวข้องกันในช่วงแรกนะครับในข้อที่9ได้พูดถึงว่าบุคคลที่หย่อนยาในการงาน คำว่าหย่อนยานในการงานนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า lazy person หรืออาจจะแปลได้ว่าเป็นคนที่ไม่ใส่ใจคนที่ไม่ใส่ใจในการทำงานนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคนเกียจคร้านทำงานให้ผ่านไปวันๆคนพวกนี้นะครับก็เป็นอันตรายกับคนอื่นเป็นอันตรายกับงานที่ขอรับผิดชอบอยู่นั้นเท่ากับคนที่ชอบทำลาย ซึ่งกำลังทำลายตัวเองจากสิ่งดีต่างๆที่ตัวเองมีอยู่หรือสิ่งดีต่างๆที่ตัวเองได้รับจากคนอื่นพูดง่ายๆว่าคุณมีของดีอยู่ในตัวและคุณทำลายมันก็เท่ากับคนที่มีงานที่ดีแต่ไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเรามีคนที่ไม่ใส่ใจในงานเยอะๆทำงานอยู่แน่นอนครับคนเหล่านี้ ก็ทำลายและทำลายงานที่เขาทำและในเวลาเดียวกันครับก็ทำลายงานของคนอื่นที่ทำให้กับเขาด้วยที่เขาได้รับผลหรือส่งผลให้กับเขาพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำงานนั้นก็คือการทำงานด้วยกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นคนที่หย่อนยานหรือคนที่ไม่ใส่ใจคนที่เกียจคร้าน อันตรายมากต่อไปครับในข้อที่10พระนามของพระเจ้าเป็นป้อมปราการเข้มแข็งคนชอบทำวิ่งเข้าไปอยู่ในนั้นและปลอดภัยอันนี้พูดถึงเรื่องของความมั่นคงที่แท้จริงนะครับความมั่นคงที่แท้จริงมาจากพระเจ้าความมั่นคงที่เทียมเท็จก็มาจากเงินเงินทองครับที่นี่บอกว่าพระนามของพระเจ้าเป็นป้อมเข้มแข็งคนชอบทำวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย ซับสลิงคข็งงเศรษฐีเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาเป็นเหมือนกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขาพี่น้องเห็นไหมครับตามความคิดเห็นของเขานั่นหมายความว่ามันเป็นสิ่งเทียมเท็จครับความมั่นคงที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้าและเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็งคนชอบธรรมคนดีที่เข้าใจก <c oughs> ็จะวิ่งเข้าไปและรับการอารักขาจากพระเจ้าและในที่สุดเขาจะปลอดภัยผู้ที่แสวงหาพระเจ้า ก็จะได้รับการคุ้มครองปกป้องปลอดภัยจากผู้ทําลายนะครับก็เหมือนกับทรัพย์สมบัติครับที่สามารถให้ความมั่นคงบางอย่างในชีวิตของคนได้แต่ครับแต่แต่อย่ามโนครับอย่าจินตนาการเอาเองว่าเป็นความปลอดภัยที่แท้จริงพี่น้องครับแม้ว่าความมั่งคั่งนั้นจะน่าปรารถนามากกว่าความยากจนเพราะสามารถช่วยให้พ้นจากความทุกข์ยากได้ในระดับหนึ่ง แต่ความมั่งคั่งไม่สามารถมาแทนที่พระเจ้าได้ไม่เชื่อลองถามคนที่มีสตังครับและเขาต้องอยู่ใน ICU เป็นเวลานานหลายเดือนนะครับคนเหล่านั้นก็ถามว่ามีสตังไหมมีครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ยากได้แม้ว่าอาจจะสะดวกสบายในระดับหนึ่งชีวิตศิลปยพิบาลของผม ก็ได้เคยเห็นทั้งคนยากจนและคนร่ํารวยต้องตายกันทุกคนแต่ในขณะเดียวกันครับแม้ว่าจะมีความสะดวกสบายขึ้นนะครับแต่หลายหลครั้งทีเดียวผมก็ได้เห็นว่าคนยากจนเขารอดชีวิตเพราะว่าเขาเข้มแข็งและเขาได้รับการทรงนำพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงแต่ละคนนั้นก็ เพียงพอสำหรับตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองยากจนแล้วเราจะเสียเปรียบตัวเองยากจนแล้วเราจะขาดโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างแต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งดังนั้นเองคนมั่งมีคิดว่าความมั่งคั่งจะเป็นกําแพงให้พวกเขาแต่เขาคิดผิดครับเพราะว่าเงินทองนั้นไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริง ต่อไปครับเป็นข้อที่สิบสองถึงข้อที่สิบสีข้อที่ส2องถึงข้อที่สิบสี่นั้นพูดถึงเรื่องของการไว้วางใจในตัวเองหรือความยิ่งยโสครับการไว้วางใจในตัวเองหรือความยิ่งยโสหรือจองของก็เดินนำหน้าการถูกทำลายอันนี้พระคัมี่พูดชัดครับคนที่ไว้ใจตัวเองคนที่ยิ่งคนที่จองของนะครับการถูกทาลายอยู่เบื้องหน้าเขา แต่ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรตินะครับคำว่าหน้าเกียรตินั้นหอนอไม่โทรอาน้านะครับแล้วก็เกียรติก็คือเกียรติยศไม่ใช่หน้าเกลียดความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติหมายความว่าใครก็ตามที่ถ่อมใจครับเกียรติยศรอคอยเข้าอยู่ข้างหน้าพี่น้องครับความยโโอหังนั้นเกิดขึ้นกับคนที่หลงผิดคิดว่าตัวเองนั้นสูงส่งกว่าคนอื่นความคิดของตนนั้นถูกต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมายอมสยบกับตัวเอง นะคนพวกนีเน้เรียกว่าคนหลงตัวเองครับเขาจะต้องประสบกับความตกต่ําเพราะว่าเขาพัฒนาไม่ได้พี่น้องครับคนที่หลงตัวเองนั้นน่ากลัวครับแล่นตรายมากเพราะว่าเขาคิดว่าความคิดของเขานั้นถูกเขาคิดว่าคนอื่นแย่กว่าเขาไม่สามารถที่จะสอนได้ครับคนพวกนี้แต่ทางกลับกันครับคนที่เปิดใจคนที่ถ่อมใจนะครับผู้นั้นจะเข้มแข็ง และเขาจะเข้มแข็งนะครับเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้แม้กับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้นะครับพี่น้องครับใครก็ตามที่มีจิตใจชอกช้ำเขาก็เผชิญกับสิ่งต่างๆนะครับได้ไม่มากแต่ถ้าเกิดว่าเขาที่มีความถ่อมใจนะครับแม้ว่าเขาจะชอกช้ำ เขาก็สามารถที่จะเข้มแข็งและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองให้เผชิญกับสิ่งต่างได้เพราะเขาได้รับความเข้มแข็งจากภายในเพราะฉะนั้นใครที่ป่วยฝร่างกายนะครับถ้าวิญญาณจิตของเขาเข้มแข็งในบางครั้งบางโรคก็จะหายได้โดยเพราะยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับไซโคโซมาติกดิซสก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตกับใจกับร่างกายครับ จิตใจกับร่างกายนะครับถ้าหากว่าป่วยทางใจส่งผลต่อร่างกายถ้าใจหายป่วยร่างกายก็หายป่วยไปด้วยพี่น้องครับจิตใจที่ชอกช้ำหมายถึงจิตใจที่มีแต่ความโกรธความคับข้องใจความตึงเครียดความอิจฉาริษยาความชั่วลายความบาปสิ่งเหล่านี้ครับถ้าสะสมอยู่ในร่างกายของเราอยู่ในอยู่ในใจของเรา ก็จะทำให้ร่างกายของคนเราเจ็บป่วยไม่สบายได้พี่น้องครับเราจึงควรชำระใจของเราทุกวันพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยินก็เป็นความโง่เขลาและความอับอายของเขาพี่น้องครับคนที่ใช้คำพูดที่ไม่ดีนะครับมันจะสร้างจิตใจที่ชอกช้ำจิตใจที่ชอกช้านั้นมันยากที่จะทนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคาพูดต่างๆนั้นมันบาดหัวใจจริงๆ และทำให้เกิดความท้อแท้ใจทำให้เกิดการรู้สึกไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราเองนั้นจะต้องพูดให้ดีครับพูดเสริมสร้างพูดแล้วสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้จิตใจที่ชอกช้ำใครเล่าจะทนได้พี่น้องครับอย่าทำให้ใครชอกช้ำใจครับเราจึงควรชำระใจของเราทุกวันโดยพระคำของพระเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะเตือนสติซึ่งกันและกันครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเตือนสติเราชุดรังเรายับยั้งเร า, เราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายมนทินบาปทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่เราจะสามารถทนต่อความเจ็บป่วยเจ็บปวดและสามารถที่จะถ่มใจลงพัฒนาตัวเองได้และพึ่งในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง คนที่ชอบทำวิ่งเข้าไปในนั้นและจะปลอดภัยอาเมน